หลวงพ่อจะให้ข้อคิดประจำวันนะวันนี้นะหลวงพ่อจะให้ข้อคิดประจำวันคือเมื่อวานนีก็มีการไปชมละคนาสัายาติยมลูกหลานมาจากตุรทิสรู้สึกว่ามากท้งหมอทั้งพยาบาลท้งตชดที่มาเขาเวยนยามหลวงพ่ออยากจะให้ถ้าเป็นไปได้นะหลวงพ่อว่าถ้าจะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาโหงอาหาร จุดนี่แหละจุดเรื่องอาหารเนี่ยนะกองทัพต้องไปด้วยท้องถ้าคู่คนมามากๆอย่างนีเ้เรามีโรงทานไวไหมถ้าโงพ่อคิดว่าน่าจะลงขันกันตั้งโรงทานเ อ, เอาตั้งโรงทานสักสองสามโรงเพื่อเลี้ยงแขกเลี้ยงคนดีไหมอันนี้ขอให้คณะสหาญาติโยมลูกหลานลูกหลานลงตาของเราช่วยกันคิดเนะเอะอันนี้คือข้อคิดประจําวันวันนี้นะและก็พร้อมกันก็ เ, เมื่อวานอาการของหลวงตาก็ยังยังทรงทรงอยู่แต่อากีจนก็ยังก็ยังมีอยู่ เ, เรื่องอาการป่วยขององค์หลวงตานั้นคณะแพทย์ก็คงจะแถลงข่าวและบอกกล่าวอีกครั้งหนึ่งออนะนี่ไม่ใช่คือหน้าที่หลวงพ่อเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพของหลวงตาหมอก็คงจะพูดอีกพวกคณะแพทย์คงจะบอกกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะ แต่อาการของหลงตานี่ยก็ยังทรงทรงอยู่แต่ก็เรื่องอาเดียน่ะไอเจียน่ะยังไม่ยังไม่หยุดนะไอเจียนยังยังมีอยู่นะคงอาการก็คงจะไม่หนักหนาแต่ท่านคงจะพักฟ่อนนะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะขอประกาศให้ทราบพั่วกันคณะแพทย์กับครูบายจารยนลงมติเป็นเอกฉันว่าการเยี่ยมการเข้าไปกราบองค์หลงตานั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข อ, ขอให้ แจ้งข่าวกันให้ทั่วถึงกันครูบายการที่จะเข้าไปก็คงจะเข้าไปนั่งก็คงจะไม่ให้มากแต่สัตายาติโยมถ้าจะไปก็คงจะขอสกอักก่อนในช่วงนี้ประมาณสักสามส 3-4 วันคิดว่าต่อไปก็คอ่คอยว่ากันอีกออในช่วงที่ 3-4 วั น, น่วัน ข, ขอขอคณะสัทายาธิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าทุกท่านทั้งเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ทั้งลูกศิษย์ มาใหม่ทั้งลูกศิษย์ทุกคนเพางั้นจะให้ช่วยๆกันรักษาสุขภาพลุงตาด้วยที่ในช่วงนี้ลุงตากําลังจะจะให้ท่านพักผ่อนคือลุงตาถ้าเห็นคนมามากท่านขอพักผ่อนไม่ค่อยจะหลับเหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าท่านอยู่ในความสงบของท่านธาตุขันของท่านก็คงจะได้รับได้รับการพักผ่อนนะอันนี้ขอประกาศให้คณะทายาทโจมลูกหลานทุกท่านรับทราบทวนหน้ากัน เมื่อกี้นี้หลวงพ่อให้หลวงปู่อุทยัยท่านเป็นพ่อชีย้ยแจงแนละให้แนวความคิดประจำวันวันนี้วันที่18บแพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ให้หลวงปู่เป็นพ่อกล่าวเมื่อกี้นี่หลวงปู่บอกว่าหลวงปู่อุทัยบอกว่าฉันยังหันเจ็จพูดไรไม่ได้ดท่านว่าท่านพูดท่านพูดท่านพูดไม่ได้ด ถ้าพูดไม่ได้ก็ให้ลวงพ่อพูดแต่ลวงพ่อก็คงจะไม่พูดอะไรมากมายวันนี้คือเป็นการชี้แจงเมื่อวานคณะแพทย์และคณะสัตยา ญ, ญาติโยมที่เป็นลูกผิดลูกหาขององค์หลวงตาเราได้ไประชุมกันที่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรมีหลวงปู่ลีเป็นประธานแล้วก็หลวงปู่ไทยเป็นรองประธานจากนั้นก็คณะสงฆ์พร้อมกับคณะแพทย์และคณะสัตยา ญ, ญาติโยม หลายคนมีมติในการประชุมออกมาหลายๆข้อเช่นว่าขณะนี้องคหลวงตาพักอยู่ที่กุฏิของท่านถ่าว่ามีคณะชาทยายมเข้าไปนปกบวนท่านมากหรือว่าพระสงฆ์เข้าไปมากเกินไปก็ทําให้ท่านไม่ได้พักผ่อนพอเห็นคนมากเนี่ยหลวงตาเป็นท่านเป็นอุปนิสัยชอบความสงบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ถ้าท่านไมชอบยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้คนในเมื่อท่านป่วยคณะสิบ ท, ทั้งหลายจะเข้าไปมาลุง ม, มาตุ้มท่านก็คงทําให้ท่านไม่ไม่ได้พักผ่อนวันนั้นมติในที่ประชุมเมื่อวานนี่ก็คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะมากราบองค์หลวงตาก็คงจะมีจัดเึ็นสถานที่ขึ้นมาแล้วก็มีรูปขององค์หลวงตาขึ้นมาก็กราบอ่า แล้วก็มีอะไรก็ได้ถามไทยแล้วก็ได้บอกกับคณะแพทย์ว่าน่าจะมีการมีโลเนลการอาการเจ็บไข้ได้ป่วยประจําวันขององค์หลวงตาเพื่อจะให้คณะสัตยาติโยานและอ่านให้ได้ทราบว่าหลวงตาวันนี้เป็นยังไงเพราะทุกคนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่เข้ามาก็เพื่ออยากจะ รู้อยากจะทราบว่าองค์ลวงตาที่รักเคารพของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงอาการในวันนี้อันนี้ก็น่าจะมีบอกกล่าวหรือว่าเป็นคําแถลงการของหมอเป็นวันๆไปอันนี้ก็คือเด็ดนิบในที่ประชมุมแล้วก็พร้อมกันกันให้ทุกคนเข้าไปกราบนั่งก็คงจะห้ามสองสามวันเนี่ยคงจะห้ามโดยเด็ดขาดลักษณะยอย่างนั้นนะ อันนี้คือไม่รู้จะเด็ดขาดขนาดไหนเพราะลูกศิษย์ลูกหาลงตามีหลายระดับงนั้นแหละแล้วก็อันดับที่สองก็เรื่องอาหารอาหารที่จะถวายลงตาเมื่อล ง, ลงตาลงมาศาลาได้แล้วก็ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายตระหนักว่าในการป่วยในครั้งนี้เกี่ยวกับอาหารอาหารคืออาหารบางตัวบางอย่างอาจจะมีเชือ้อทาให้ไม่สะอาดลักษณะอย่างนั้นะ ควรจะให้แพทย์หรือพยาบาลแล้วให้แพทย์เกี่ยวกับทางทางอาหารโดยตรงเป็นผู้กำเป็นเป็นผู้กำกับดูแลรักษาเรื่องอาหารที่พูดเมื่อวานเนี่ยจากนั้นก็นเกี่ยวกับ เ, เรื่องยุกยาเรื่องกับเกี่ยวกับการดูแลองค์หลวงตามีคณะแพทย์คณะนักหมอคือจะเอาเฉพาะรู้เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้ามาดูแลองค์หลวงตาสรุปแล้วก็คือในการดูแลองค์หลวงตานี่บอกกล่าวให้คณะสัตยาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ไม่ได้มาที่ได้ยินเสียงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขององค์หลวงตานี่ยให้ทั้งผู้อยู่ข้างในนี่ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และคณะหมอคณะสัตยาธิโยมทุกหมู่เหล่าที่มาอยู่ในวัดนี่ได้พร้อม พร้อมใจกันหนึ่งเดียวที่จะช่วยยังไงสุขภาพลวงตาจะดีขึ้นโดยเร็วพรันจะช่วยกันเกื้อกูหนุนและก็พร้อมกันอย่างที่อาตมาภาพได้พูดเมื่อวานนี้พวกคณะทายาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าที่รักเคารพในองค์หลวงตาถึงจะไม่ได้มาได้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าด้วยบุญกุศล ของข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันจนถึงขณะนี้มีบุญมากน้อยก็ขอให้เป็นพรังเอื้กอกลุนุนสุขภาพของลวงตาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็วพรันด้วยเทนอนอันนี้ก็ให้พวกเราทุกดวงวิญญาณและด ว, ดวงใจให้แสดงพลังออกมา เพื่อความรักเคารพเพราะหลวงตาของเราไม่ใช่ไม่ใช่หลวงตาธรรมดาพวกเราคิดดูย้อนหลังก็แล้วกันท่านเกื้อกูลหนุนโลกมาขนาดไหนทั้งธรรมเทศนาตลอดถึงทางด้านวัตถุหาที่ไหนได้หลวงพ่อเองอาตมาพรพเองไม่ขอบรรยายว่าหลวงตานี่มีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองมาขนาดไหนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกดวงใจ อย่าให้ได้คิดว่าเป็นหน้าที่ของคนนั้นเป็นหน้าที่ของคนนี้เป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของโยมให้ถือว่าเราได้ทดแทนพร็คุณขององค์หลวงตามากน้อยแค่ไหนขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เพียงพอหรือยังอยากจะให้พวกเราคิดอย่างนั้นเพราะนั้นอย่างหลว ง, งพ่อได้พูดว่าเออในช่วงนี้คู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องถึงเราจะไม่ได้ประกาศว่าให้คนมา แต่คนก็อดห่วงไม่ได้ที่เข้ามาทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้ง เ, เจ้าหน้าที่หลายหน่วยหลายหมู่เหล่าเข้ามาแล้วพวกเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของบ้านคือเป็นลูกหลานของหลวงตานี่คือหลวงตานี่ไม่แรงน้ำใจยอยู่แล้วาการสงเคราะห์อนุเคราะห์หลวงตาเนี่เป็นหนึ่งเดียว เ, เป็นหนึ่งในประเทศอยู่แล้วพูดง่ายๆพวกเราผู้มาอยู่ใกล้นี่จะเห็นเพราะนั้นเวลาผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เข้ามาแล้วหิวอาหารไม่มีอาหารจะกินไม่มีอาหารจะทานเนี่ยพวกเราที่เป็นลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาหลวงพ่อว่าน่าจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งดีไหมจะเป็นโรงทานสักสองสามแห่งสักสองสามโรงเรียกว่าก้าวกล่องเป็นข้าวกล่องเลี้ยงยถ้าว่าผู้ใดมาแล้วเอาอาหาราข้าวกล่องให้เพื่อให้เลี้ยงผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหิวนะ ก่อจะวิ่งออกไปในเมืองหรือว่ามีธุระจาเป็นไม่ได้ทานอาหารมาแต่เช้ า, าเพื่อมาทําหน้าที่แต่พอมาถึงแล้วก็หิวอาหารน่ยไม่รู้จะชื้อทานอาหารที่ไหนอันนี้ก็ถ้ามีอาหารสํารองไว้ในวัดของเราก็จะเป็นคนดีมั่งนั่นก็ขอให้ช่วยกันคิดๆนะช่วช่วยกันคิดทุกมุงทวกเรานะั่นแหละถ้าทางอันนี้เรื่องอย่างนี้ป็นถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าเอ้ยอาหารมัคงจะไม่มากแต่ถ้าว่าทำนานๆคนลหลายๆคนก็เป็นเรื่องหนักเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อว่าน่าจะลงขันกันเป็นเงินกองกลางโรงทานน่ยดีไห้ในสุดแท้แต่คณะลูกหลานทุกคนจะคิดนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นสมพานเหมือนกนแตถ้าคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อจะมองหน้ากิน อ, อาหารอะไรยังเป็นไงอาหารเราเพียงพอหรือยัง ดูนอาหารนะผู้ที่มาเกี่ยวข้องอ ย, าย่าให้เขาหิวออกระหายนะเออพราะวัดเราอยู่ไกลพอที่จะเลี้ยงดูได้ก็เรื่องอาหารสําคัญนะเออพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะเน้นเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้มาเห็นคณะนสทา ญ, ญาตโจมเข้ามาการาบคารวะองค์หลวงตาของเราหลวงพ่อจึงขอบอกกล่าวเรื่องอาหารออให้พวกเราช่วยกันออคิดด้วยใ น, ในในเรื่องนี้นะ แต่เรื่องอย่างอื่นในรายละเอียดในการเก็บไข้ได้ป่วยขององหลงตาก็คิดว่าคณะแพทย์ก็คงจ ะ, ะแถลงการหรือว่าบอกกล่าวเป็นลายลักอักษรออกมาก็คงจะมีกลุ่มในแพทย์นะมาชี้แจงเป็นวันๆไปถูกเพราะเองก็ไม่กล้าที่จะพูดในเรื่องสุขภาพของหลวงตาแต่เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดในรายละเอียดก็บพ่ว่า สอสาวันที่ผ่านมาไม่ไม่เคยมีแพทย์หรือหมอบอกกล่าวเลยขาจจ้าราทกาญาติโยมที่อยู่ในบ้านที่ได้เห็นลงตาทุกวี่ทุกวันวันไหนก็เห็นลงตาเห็นลงตาเห็นลงตาทั้งเชา้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นเนีท่นี้พอมาเห็นสมวันนะมันก็รู้สึกเอ๊ะทำไมลงตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้ชี้แจงในรายละเอียดพอสมควรเมื่อวานนี้ ถ้าจะว่าไปแล้วก็ล้ำหน้าคณนะพวกคณะแพทย์คุณหมอไปสักหน่อยก็ต้องขออภัยนะต้องขออภัยในการพูดตามความที่ได้เห็นเนี่ยแต่ส่วนลึกส่วนลึกในการสุขภาพของโวงตานั้นก็สู้แพทย์สู้หมอไม่ได้ละคณะแพทย์คงจะชี้แจงในรายละเอียดกว่านะแต่หลวงพ่อเพียงแต่ว่าเห็นที่ได้เห็นได้ยินแล้วก็มาบอกกล่าวให้คณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานที่อยู่ทังบ้าน ให้ได้ยินนะแต่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วสรุปแล้วก็คืออยากจะให้ลูกหลานคณะสทาญาโฉมทุกหมู่เหล่าให้มีความพร้อมเพียงสามคีนให้เป็นดนึ่งเดียวนะเรื่องภายนอกทั้งหลายทั้งปวงถึงจะขัดข้องหมองใจเรื่องอะไรก็ตามนะให้อยู่ในใจไว้ก่อนนะให้เก็บเข้าลิ้งชักไว้ก่อนนะให้เก็บไว้ในตู้ไว้ก่อนให้ปิดประตูไว้ก่อนอย่าให้มี ให้เปิดออกมาแต่น้ำใจเมตตาให้มีแต่เมตตามีน้ำใจเห็นกันเหมือนกับพี่พี่น้องๆพวกเราก็คงจะได้สั่งสมบัารมีมาด้วยกันคงจะได้ทําบุญมาด้วยกันไม่ครั้งใดก็ต้องคราวหนึ่งมาคราวนี้พวกเราจรึงได้ได้มาเคารพนับถือในองค์ลวงตาองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามีอะไรก็โยนโยนเหมือนกันเถะ ให้อภัยซึ่งกันละกันอันนั้นจะดีกว่าหลวงพ่อว่านะมีครูบาอาจารย์ตั้งมากมายในประเทศไทยแต่พวกเราก็ยังไม่ได้เคารพไปเคารพกราบไหว้อหมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์เหมือนกับองค์หลวงตาของเราเที่พวกเราได้เข้ามามอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงตาในองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็คงจะได้เคยสั่งสมบุญบารมีมาในอดีตชาติหลวงพ่อว่านะ จึงได้มาพบมาเจอแล้วก็ได้มอบกายถวายตัวเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ขององค์หลวงตาหลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรในตำรับตําราในหนังสือในธรรมเกขิตในเทปใน m อ็มในรูปภาพล้วนแล้วจะเป็นผู้ให้มีเมตตาให้มีน้ําใจให้มีการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ทางนั้นหลวงตาพิจารอนความเด็ดเดี่ยว เด็ดเดี่ยวแล้วก็ให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในองค์ลุกที่หลวงตาได้สอนพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสิทธิทุกหมู่ทุกเหล่านะให้มีความรักสมัคคีให้เคารพในองค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนได้นํำทำคําสอนขององค์หลวงตาไปประพฤติปฏิบัติพวกเราจะคงจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขอ หลวงพ่อมั่นแก่และเคืองว่าธรรมเทศนาของหลวงตานี่ชี้ทางพ้นทุกข์ให้แก่พวกเรา ท, ทุกทุกท่านถ้าว่าพวกเราปฏิบัติตามทำคําสอนขององค์หลวงตาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นในความรู้สึกของหลวงพ่อเองหลวงพ่อมั่นใจขนาดมีเท่าไหร่มีความเชื่อเท่าไหร่เชื่อทั้งหมดมีกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อทั้งหมดในทำคําสอนขององค์หลวงตาให้พวกเราศึกษาดูกันแล้วกันอ พวกเราท่านท่านทั้งหลายก็ได้คงจะเป็นอย่างหลวงพ่อเหมือนอย่างหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายคงจะมีความมั่นใจอย่างหลวงพ่อบางคนมากทีเดียวทีเดียวแล้วงั้นถตพอลุกตาเนี่ยท่านเอาความจริงมาพูดทุกอย่างถึงท่านจะดุดาว่ากล่าวยังไงก็ตามท่านแฝงด้วยเมตตาของท่านหาได้ยาก เน่ว่าหาไม่หาไม่ได้เลยในความรู้สึกของหลวงพ่อนะแต่องค์คนอื่นอาจจะหาได้องค์อื่นก็ได้นะแต่ในใจของหลวงพอนะ่อเนหลวงพอนะ่อเนี่ยมั่นใจปักใจในธรรมเทศนาเรื่องแนวความคิดของหงและครงเส้นครงวาอีกต่างหากเป็นแนวความคิดอีกต่างหากอย่างที่ท่านไม่ไปโรงพยาบาลเพราะอะไรนะท่านก็พูดให้คณะสิบฟังเเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านท่านพูดถึงนี้นะีนะแต่บางเรื่อง ก็ไม่สามารถที่จะพูดออกที่สาธารณะชนได้แต่เป็นความเหตุของท่านแต่ฟังแล้วมีเหตุผลอยอมรับในความในเหตุผลของท่านที่ท่านที่องค์ที่องค์หลวงตาพูดและแสดงออกไป เ, เพราะนั้นหลวงตาเนี่ยท่าจะว่าไปแล้วคือนักเหตุผลนักธำทำคือเหตุผลทำคือความถูกต้องถึงสิ่งไหนที่ถูกต้องท่านจะเดินไปจุดนั้น เราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะทุกสิทธลงตานะทำอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามขอให้อยู่ในหลักเหตุผลแล้วก็ให้มีความให้มีน้ำใจให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นหลักนในขณะนี้องค์ลงตาท่านไม่สบายท่านป่วยอยู่ถึงท่านจะไม่ได้ยินทางหูท่านไม่ได้เห็นทางตาแต่ใจของลงตามองพวกเราอยู่ตลอดเวลาข อ, ขอให้พวกเรามีพลัง ส่งกระแสจิตไปในทางที่ดีสุขภาพหลวงตาคงจะดีวันดีคืนหลวงพ่อว่านะการกล่าวสัมมวทนี้กระถาเรื่องการพูดในวันนี้เขาเห็นว่าสงควรกับการเวลาขอจุติในการพูดตอนนี้สาธุมวมทาบุลลงทานเจ้าค่ะมีผู้ถวายทําลวงทานไปสองพันเมื่อกี้นะเนี่ยในคณะนะ มาสพันเลยตอนนี้ 3, แล้วครับเออครับเออเอาเอกมาได้เอาคุณชายปั่มมาเก็บนะนน้้ครั บ, 5, 5รบเป็นไงเห็นด้วยไหมที่หลวงพ่อพูดว่าโลงทานเนี่ย